24คนต้องเรียนรู้อัตตาจึงจะรู้แจ้งรู้จริงกรรมคนจึงต้องเรียนรู้อัตตาจึงจะเชื่อกรรมและเห็นจริงว่ากรรมนั้นเป็นใหญ่เป็นสำคัญยิ่งกวา่าอำนาจใดสําหรับคนสามารถเรียนรู้ได้เพราะเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉาน และเหนือกว่าคนสามัญคนจะต้องมีภูมิเข้าขั้นเวเนยศาสตร์คือผู้มีบารมีเข้าขั้นเป็นอาริยบุคคลได้ที่สำคัญยิ่งยวดคืออัตตาหรืออาตมันเป็นของเจ้าตัวเองหมายความว่าตนเองเป็นของตนเองแต่ละคนโดยแท้ และอาตาอาตามันก็คือจิตใจของคนแต่ละคนกล่าวคือใจของใครมันก็ของคนนั้นอาตาไม่สามารถจะเป็นของคนอื่นหรือแม้แต่เป็นของผู้ที่เรียกว่าพระเจ้าก็หาใช่ไม่ พระเจ้าก็เป็นอัตตาหรือจะเป็นปรมาตมันนั่นก็ของพระเจ้าเองจะเป็นของผู้อื่นหรือไปรวบเอาของผู้อื่นมาเป็นตนหรือเป็นของตนหาได้ไหมอัตตาของใครก็เกิดจากกรรมของคนนั้น อัตาหรืออาตมันของใครก็เป็นเจ้าของกรรมของตนตนทํากรรมใดก็สั่งสมลงไปในตนเป็นอัตาที่เป็นของตนแม้คนผู้ตกเป็นทาสของอะไรก็เป็นใจของเขาเองแท้ๆนี้แหละคืออัตตาหรืออาตมันที่ต้องศึกษา จิตใจเป็นอัตตาที่คนผู้อวิชชาไม่สามารถจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันได้ไง่ายๆตามสามัญปุถุชนทั่วไปผู้จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาหรืออาตมันจึงต้องศึกษากันอย่างสำคัญยิ่งใหญ่มาก